ทรงแสดงอนาปานาสติสมาธิกถา165าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่โรงอาหารประทับนั่งบนพุทธอาฏที่จัดถวายตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอนาปานาสติสมาธิแม่นี้ที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประณีตสดชื่น เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและธรรมอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วเปรียบเหมือนฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นท้ายฤดูร้อนถูกฝนใหญ่นอกฤดูการให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วอนาปานาสติสมาธิที่จเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นสภาพสงบประณีต สดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและทรรมอกติลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบลังตั้งกายตรงดำรงสติไวเฉพาะหน้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า